เช่นเมืองพัทรีนาทพัทรินาทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่ของต้นน้ำคงคาที่คนฮินดูนิยมไปแล้วก็คังโคตรีนะองกุตินี่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะต่อไปยังโคมุกระยะทางห่างประมาณสิบแปดกิโลเมตรก็ได้สังเกตนะการพิธีกรรมทางาศาสนาของชาวฮินดนะูทุกที่ก็จะมี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 พระเจ้าหรือเทพพระเจ้าเนี่ยอยู่สถิตยอยู่ในเทวรูปนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปไปได้พิสไปได้มองไปได้เห็นไปได้สบตากับเทวรูปเนี่ยก็จะเกิดถ้าเรียกประชวบ้านก็คือเกิดสริมงคลหรือว่าอาจจะเป็นการทําให้บาปมันทุเลาลงหรือว่าทําให้เกิดโชกเกิดลาบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง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 ไม่ตพูดถึงอาหารเพราะนั้นมนุษย์จะอยู่รอดได้ต้องอาศัยเมตตากรุณาข อ, ของธรรมชาติแล้วก็บภูเขาสูงที่มีหิมะหมะปกคลุมก็ทําให้คนเนีเชื่อเลยนะว่ามันมีเทวดาอยู่นะคนฮินดูเนี่ยคนแครเนี่ยเห็นธรรมชาติเนี่ยเห็นเทพนแม้แต่จะเห็นเวลามองสายนานเนี่ยก็เห็นเจ้าแม่คงคาอยู่หรือซึ่งเป็นเทพเจ้าแต่ทางพูดเนี่ยนะท่านแนะว่าเวลาเห็น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 ใช้ความเพียรในการเข้าถึงธรรมนะเราก็จะอยู่เหนือเทวดาได้แล้วก็ไม่มีความหวาดกลัวเทวดาอีต่อไปเทวดาต่างหาที่ต้องมาเคารพนอบนอบนะผู้ที่เข้าถึงธรรมแม้แต่ขั้นระดับโสดาบันนะอย่างมะอย่างท่านอนาถพินทิการท่านเป็นโสดาบันนะมีค่าวนึงเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูนะซุ้มประตูหน้าบ้านท่านเนี่ยเห็นท่านเริ่มยากจนแล้วเพราะว่าท่านเนี่ย